เสียงอ่านหนังสืออำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรมพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกรักคติธรรมพระพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจในกรรมนั้น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 สติปัญญาเป็นต้นอันเป็นส่วนจิตและศีลอันหมายถึงตั้งเจตนาเว้นการที่ควรเว้นทำการที่ควรทำในขอบเขตอันควรทางพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกๆคนพิจารณาหลักกรรมหนึ่งเนืองเพื่อเป็นผู้ไม่ประมาทพยายามละกรรมชั่วประกอบแต่กรรมดี กานที่ยังปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้ก็เพราะยังประมาทมิได้พิจารณาในหลักกรรมและไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อในผลของกรรมต่อเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทและมีศรัทธาเชื่อดังกล่าวจึงจะละกรรมชั่วทำกรรมดีได้ตามสมควรสมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายก อำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุดในโลกอำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุดในโลกไม่มีอำนาจใดทำลายล้างได้แม้อำนาจของกรรมดีก็ไม่อาจทำลายอำนาจของกรรมชั่วและอำนาจของกรรมชั่วก็ไม่อาจทำลายอำนาจของกรรมดี อย่างมากที่สุดที่มีอยู่คืออำนาจของกรรมดีแม้ไม่มากทำให้สม่าเสมอในภพภูมินี้ก็อาจจะทำให้อำนาจของกรรมชั่วที่ได้ทำมาแล้วตามมาถึงได้ยากดังมีเครื่องขวางกั้นไว้หรือไม่เช่นนั้นก็ดังที่ท่านเปรียบว่าเหมือนวิ่งหนีผู้ร้ายที่วิ่งไล่ตามมาถ้ามีกำลังแข็งแรง วิ่งเร็วกว่าผู้ร้ายก็ยอมยากที่ผู้ร้ายจะไล่ทันความแข็งแรงของผู้วิ่งหนีกรมชั่วก็หาใช่อะไรอื่นคือความเข้มแข็งสม่ำเสมอของการทำกรรมดีนั่นเอง